เรื่องสันตติอามาตในสมัยพุทธกาลอามาตของพระเจ้าโกศลชื่อสันตติอามาต ร, รบชนะฆ่าศึกจึงได้รับพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตให้เสวยราชสมบัติเจวันเขามีความสุขเพลิดเพลินด้วยการดื่มสุราและสนุกสนานกับเหล่านางรังเมื่อเข้าไปถึงท่าน้ำพร้อมกับบริวารในวันที่เจ็พบกับพระผู้มีพระภาคแล้ว แสดงความเคารพบนคอช้างพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าเขาจะรับฟังคาถาบทหนึ่งแล้วบรรลุอรหัตผลในวันนี้และจะปรินิพานในเพศคขรหัดฝ่ายเดียร์ีได้ยินพระพุทธพยากรณ์นั้นก็ตำหนิว่าผู้ที่เมาสุราอยู่จะฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมในวันนี้ได้อย่างไร พวกเราจะโจทย์พระสมณะโคโดมด้วยมุสาวาตต่อมาในเวลาเย็นหญิงนางรำคนรักของอมาตเสียชีวิตกระทันหันในขณะฟ้อนรำเขาเสียใจมากจึงไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อดับความโศกนั้นพระพุทธองค์ตรัสคาถาแสดงธรรมว่ายางปุเพตังวิโสเสหิ ปัจฉาเตมาหุกินชนังมัดเชเจโนคาเตสสิอุปสันโตจาริสสิกิเลสเหล่าได้เกิดขึ้นแล้วในการก่อนเธอจงเผากิเลสเหล่านั้นเธออย่ามีเครื่องกังวลในภายหลังถ้าเธอไม่ยึดเอารูปนามปัจจุบันในท่ามกลางเธอจะเป็นผู้สงบอยู่ได้ สันตติอมาตสดับพระคถานี้แล้วบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์จากนั้นได้เหาะขึ้นไปบนอากาศถึงเจดชั่วลำตาลแล้วปรินิพานในเพศครหัตเรื่องนี้กล่าวไว้ในอัถกถาธรรมบทเป็นต้นความจริงแล้วในเรื่องนี้ที่อมาตได้บรรลุ ธ, ธรรมขณะฟังธรรมหรือในเรื่องอื่นทำนองเดียวกันนั้น ลำพังการฟังทำอย่างเดียวโดยไม่กำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะย่อมไม่อาจทำให้บรรลุธรรมได้ท่านเหล่านั้นต้องกำหนดรูปนามในขณะนั้นแล้วบรรลุวิปัสนาญาณขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและอรหันต์ตามลำดับ ดังข้อความในอธัธกถาของมหาสติปัฐานสูตรว่ายะสมาปะนะกายะเวทนาจิตตะธรมเมสุกินจิธรมมังอนามะสิตวาภาวนานามะนัตถิตัดสมาเตปิอิมินาวะมะเณนะโสกกะปริเทเวสมาติกันตาติ เวทิี่ตับพาอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าภาวนาย่อมไม่มีโดยมิได้กำหนดทมอย่างใดอย่างหนึ่งในกองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมดังนั้นควรทราบว่าแม้สัน ต, ติอมาตและนางปตาจาราเหล่านั้นได้ล่วงพ้นความเศร้าโศกและความคล่ำครวนด้านห้นทางคือสติ ปัฏฐานนี้ตามข้อความในคำพีสัน ต, ติอมารตบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นางปตตาจาราบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งสองท่านต้องกำหนดสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในกองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมตามแนวทางของการเจริญสติปัฏฐานจึงสามารถบรรลุธรรม ล่วงพ้นความเศร้าโศกและความคลําคกรวนได้โดยสิ้นเชิงด้วยธรรมโอสดคือสติปัฏฐานโดยเหตุที่สันปติอมบาดเมาสุราตลอดเจ็ดวันจนถึงเวลาใกล้จะฟังพระธรรมเทศนาแสดงว่าแม้ครหัดผู้ไม่มีศีลก่อนจะปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้และไม่ควรกล่าวว่าเขาเป็นปัดฉิมภวิกะ คือผู้เกิดเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนจึงบรรลุธรรมได้เช่นนี้เพราะแม้ภิกษุที่เป็นปัจฉิมภวิกาก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้ถ้ายังมีศีลไม่หมดจดเพราะความมีศีลบกพร่องย่อมจะห้ามการบรรลุมรรคผลดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงการสำรวมรักษาศีลแก่พระอุตยะ ผู้เป็นปัจฉิมภวิกะว่าดูการะอุติยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายอะไรคือเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายศีลที่หมดจดดีและความเห็นที่ถูกต้องคือเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายดูกา ร, ระอุติยะเมื่อศีลของเธอหมดจดดี และความเห็นถูกต้องแล้วต่อแต่นั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลและพึงเจริญสติปัฏฐานสี่แม้ในพระบาลีจะตรัสโดยสามัญทั่วไปว่าศีลโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นศีลประเภทใดแต่พึงทราบว่าคือปฏิโมคขังวรศีลดังที่อธิบายไว้ในชาณวิพังและดีกาใหม่ของกังขา วิตรณีพระพุทธองค์ตรัสสอนให้พระอุตยะรักษาศีลให้หมดจดก่อนแล้วจึงเจริญสติปัฏฐานสี่แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องรักษานานเพียงใดนอกจากนี้ยังตรัสว่าให้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่โดยไม่ได้ระบุว่าให้เจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้ นักปฏิบัติจึงควรเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างตามสมควรพระอุตยะได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงนแนะนําแล้วจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาไม่นานเรื่องนี้ปรากฏในพระบาลีเช่นกันท่านจัดว่าเป็นปัจชิมภวิกะแต่เพราะศีลไม่หมดจดจึงบรรลุธรรมไม่ได้ พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ท่านสำรวมรักษาศีลก่อนแม้นิยตามิจฉาทิฏฐิก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมพระพุทธองค์จึงสั่งสอนให้ท่านทำความเห็นให้ถูกต้องเรื่องพระอุตยะกับสัน ต, ติอมาตนี้แสดงว่าความมีศีลบกพร่องเป็นอันตรายต่อปัจฉิมพวิกะผู้เป็นภิกษุเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้อรหัดแต่อย่างใดเรื่องคนตกปลาได้บรรลุธรรมวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอย่างเห็นอุปนิสัยในการบรรลุธรรมของคนตกปลาชื่ออริยะจึงเสด็จไปบินทบาทใกล้ประตูเมืองทางทิศเหนือและเสด็จกลับมาพร้อมกับลาวภิกษุขณะนั้นคนตกปลาเห็นพระพุทธองค์พร้อมด้วยลาวภิกษุจึงวางเบ็ดลง แล้วยืนอยู่ด้านข้างพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอชื่ออะไรเขาตอบว่าหมอมชันชื่อว่าอาริยะพระพุทธองค์รับสั่งว่าผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ชื่อว่าผู้ประเสรศิฐเพราะผู้ประเสริฐต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วตรัสคถานี้ว่านาเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติ อหิงสาสัพปานานังอริโยติปวุจจติถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่บุคคล น, นั้นไม่นับว่าเป็นอริยชนแต่ได้ชื่อว่าอริยชนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงในตอนท้ายของการแสดงพระธรรมเทศนาคนตกปลานั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันดังกล่าวไว้ในอัิกถาธรรมบท เรื่องขโมยคนหนึ่งในสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นวัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีมีขโมยสองคนปะปนอยู่ในพุทธบริษัทคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอีกคนหนึ่งมัวแต่ล่วงกระเป๋าผู้อื่นและได้เงินเพียงห้ามาศก เมื่อกลับถึงบ้านขาโมยที่ได้เงินมากล่าวล้อเพื่อนว่าแกทําตัวเป็นคนดีเลยไม่มีเงินซื้อข้าวกินส่วนคนที่เป็นพระโสดาบันกลับคิดได้ว่าเพื่อนไม่มีปัญญาจึงคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดหลังจากนั้นไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสคาถานี้ว่าโยพาโลมัญตี ปานยังบัณฑิตโตวาปิเตนะโสพาโลจะบัณฑิตตมานีสเวพาโลติวุจจติคนโง่รู้ตัวว่าโง่ยังคล้ายเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนโง่แล้วอวดฉลาดนั่นแหละเรียกว่าโง่แท้คนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโง่ ย่อมจะรับฟังคำแนะนำของคนอื่นและกลายเป็นคนฉลาดได้แต่คนโง่ที่อวดฉลาดจัดเป็นคนโง่แท้เพราะคิดผิดว่าตนฉลาดจึงไม่รับฟังคำแนะนำของคนอื่นบุคคลดังกล่าวย่อมไม่อาจประสบความเจริญก้าวหน้าไม่อาจกลายเป็นคนฉลาดได้เจ้าสักยะชื่อว่าสารา น, านี เจ้าสักยะชื่อว่าสารา น, านิได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วว่าเขาเป็นพระโสดาบันผู้หลุดพ้นจากอบายภูมิศีในขณะนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายพากันกล่าวตำหนิว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมา ก, ก่อนใครเล่าในชนเหล่านี้ จะไม่ใช่พระโสดาบันในการนี้เจ้าสกยะชื่อสารา น, านิผู้วายชนแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าเขาเป็นพระโสดาบันไม่ตกอบายเที่ยงต่อมักชั้นสูงมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเจ้าสกยะชื่อสารา น, านิผู้ไร้กําลังในการประพฤติสิกขา เป็นผู้ดื่มสุราแล้วสารา น, านิสกโกสิกขายะอปริปูรการฤติเจ้าสกยะชื่อสารา น, านิเป็นผู้มิได้ประพฤติสิกขาบริบูรณ์เรื่องที่เจ้าสกยะทั้งหลายกล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาคนี้เจ้ามหานามะเป็นผู้กราบทูลให้ทรงทราบในขณะนั้น พระพุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้โดยจำแนกบุคคลไว้หลายประเภทดังที่ปรากฏในสังยุตตนิกายทุติยสารณ า, านิสส ก, กะสูตรนอกจากนี้พระพุทธองค์ตรัสอุปมาว่ามเมล็ดพืชที่เน่าแล้วและได้รับการปลูกไว้ในนาซึ่งมีก้อนหินต่อไม้มากย่อมจะไม่เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ ฉันใดการปฏิบัติธรรมโดยไม่ถูกวิธีก็ไม่อาจส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ฉันนั้นแต่มเมล็ดพืชที่อุดมสมบูรณ์ได้รับการปลูกไว้ในนาที่ดีเลิศย่อมจะเจริญเติบโตได้โดยพลันฉันใดการปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีก็ส่งผลให้บรรลุธรรมได้โดยเร็วฉันนั้นเจ้าสกยรยสรณา น, านิได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ชไหนจะไม่อาจบรรลุรมได้พระพุทธองค์จึงได้มีพระดำรัสว่ากิมังคังปณะสารานิสักังสารานิมหานามะสโกมรณกาเลสิกายะปริปุรการีติจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเจ้าสกยะสารานิดูกะระมหานามะ เจ้าสกยยสรา น, นีเป็นผู้ประพฤติศีขาบริบูรณ์ในเวลาใกล้เสียชีวิตจะเห็นได้ว่าเจ้าสกเยสาณา น, านีมิได้รักษาศีลมาก่อนแต่มารักษาในขณะใกล้เสียชีวิตแล้วบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันท่านจึงมีศีลศีขามดจดในขณะนั้นเช่นเดียวกับคนตกปลาที่มีชื่ออาริยะ และขโมยที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ได้มีศีลหมดจดก่อนได้ฟังธรรมแต่แล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพวกเขามีใช่ปัจชิมพวิกะเพราะยังเป็นพระโสดาบันอยู่ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรกล่าวว่าปัจชิมภวิกะด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรกล่าวว่าปัดชิมภวิก ะ, เ, กววกะเท่านั้นเป็นผู้บรรลุธรรมได้โดยประสาจากศีล บางคนกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นอุคติตันยูหรือวิปจิตตันยูจึงบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องรักษาศีลมาก่อนแต่ผู้ที่เป็นนยยต้องรักษาศีลมาก่อนเป็นเวลานานความเห็นนั้นเป็นเพียงอัตโนมตัติไม่พบในพระบาลีอัตถกถาและดีกามีข้อเกี่ยวกับนยะ ในพระบาลีว่าบุคคลไหนชื่อว่านยะบุคคลใดเรียนกรรมฐานแต่ถามใส่ใจด้วยปัญญาบุคคลนี้ชื่อว่านยะในพระบาลีนี้ได้ตรัสถึงขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมว่าควรเรียนกรรมฐานแต่ถามข้อสงสยัสยใส่ใจใช้ปัญญารับรู้สภาวะธรรม ตามความเป็นจริงโดยไม่มีสมมุติบัญญัติและตัวตนพร้อมทั้งควรคบหาวิปัสนาจารย์ผู้สามารถแก้ข้อสงสัยและปรับอินทรีย์ให้แก่กล้ายิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าในพระบาลีนี้ไม่ได้กล่าวถึงการอบรมศีลให้หมดจดก่อนเจริญกรรมฐานอนหนึ่งในอัตถกถาของเนติปรกรณ์กล่าวว่า วิปั ส, สนาที่มีสมถะอยู่น้าเหมาะแก่อุคติตันยูสมถะที่มีวิปั ส, สนานำหน้าเหมาะแกเนยะสมถะและวิปั ส, สนาที่ประกอบร่วมกันเหมาะแก่วิปจิตตันโยูอธิปัญญาสิกขาเหมาะแก่อุคติตันยูอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา เหมาะแก่วิปจิตตัญญูอธิศีณสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเหมาะแก่เนยะผู้ที่สามารถบรรลุธรรมในพระศาสนานี้เรียกเวณนยะบุคคลมีสามจำพวกคือ 1. อุคติตัญญูผู้บรรลุธรรมเร็วด้วยการฟังอุเทศคือหัวข้อ 2. วิป จ, จิตันโยผู้บรรลุธรรมช้าด้วยการฟังนิเทศคือการอธิบายโดยสังเขต 3. เนยะผู้อาจบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังปฏินิเทศคืออธิบายโดยพิสดาและภาคเพียนปฏิบัติธรรมด้วยโยนิโสมนสสการและการคบหากรยานมิตร จากข้อความนี้ท่านแสดงธรรมที่เหมาะสมแก่บุคคลทั้งสามจำพวกแต่ไม่ได้มุ่งแสดงว่าบุคคลดังกล่าวต้องประพฤติศีขานั้นๆให้บริบูรณ์คำว่าอธิศีศขาอธิจิตตศีข า, ขาและอธิปัญญาศกขาเหมาะแก่นนยยะจึงไม่ได้หมายความว่านนยยะต้องรักษาศีลให้หมดจดและบรรลุฌานก่อน จึง จ, จะเจริญวิปัสนาได้มิฉะนั้นแล้วผู้ที่เป็นวิปจิตตันยูและเนยยะทั้งหมดจะต้องบรรลุฌานที่เป็นอธิจิตตสิกากรตามความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ไม่ควรกล่าวว่าภิกษุผู้เป็นอุคติตันยูและวิปจิตตันญูแม้ต้องอาบัต ก็ไม่เป็นอนาวีติกะมันตรายะโดยอ้างว่าในที่นี้ไม่ได้กล่าวว่าศีลสิกขาเหมาะแก่บุคคลเหล่านั้นเนื่องจากอาบัตทั้งหมดที่ต้องด้วยเจตนาเป็นอนาวีติกะมันตรายะดังนั้นการกล่าวว่าสิกขาสามเหมาะแก่นนยญาบุคคลเพราะศีลและสมถภาวนาของเขา ย่อมจะเกื้อกูลแก่วิปัสนาและมัคปัญญาเป็นพิเศษผู้ที่เป็นอุคติตันยูนั้นสามารถอย่างวิปัสนาและมัคปัญญาให้เกิดขึ้นทันทีเมื่อสดับธรรมโดยสังเขปเขาจึงไม่มีโอกาสจเจริญสมถะทั้งไม่จำเป็นจะต้องเข้าฌานเพื่อให้เป็นผลทางนำไปสู่วิปัสนา อุคติตันยูและวิป จ, จิตตันยูก็ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาศีลของตนเพื่อให้เกิดความปราโมทเพราะพวกเขาบรรลุธรรมในขณะฟังพระธรรมเทศนาได้ด้วยการกำหนดปีติปราโมทเป็นต้นที่เกิดจากความเลื่อมใสในผู้แสดงธรรมหรือธรรมที่กำลังสดับอยู่ดังนั้น ท่านจึงไม่กล่าวว่าศีลและสมถภ า, าวนาเกื้อกูลแก่อุคติตันยูศีลเกื้อกูลแก่วิปจิตตันยูนัยบุคคลเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานบางขณะเมื่อพิจารณาศีลของตนแล้วทราบว่าไม่หมดจดก็จะเกิดความเดือดร้อนใจ แม้ว่าในขณะปฏิบัติธรรมจะรักษาศีลก็เกิดความเดือดร้อนใจถึงเรื่องในอดีตได้และถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสนาส่วนผู้ที่มีศีลหมดจดเป็นเวลานานหรือแต่เริ่มเข้ากรรมฐานเป็นต้นมาทราบว่าศีลของตนไม่ดังพร้อยก็จะเกิดความปีติปราโมชความสงบ ความสุขใจและสมาธิพร้อมทั้งวิปัสนาปัญญาต่อมาศีลที่หมดจดเป็นเวลานานหรือตั้งแต่เริ่มเข้ากรรมฐานจึงเกื้อกูลแก่ในยาบุคคลเป็นพิเศษการเจริญสมถะเป็นบาตของวิปัสนาในคัมภีอธิกถากล่าวถึงการเจริญสมถะเป็นบาตของวิปัสนาว่าโดยแท้จริงแล้ว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 และเจริญวิปัสนาอีกเมื่อเธอนั่งนานอีกความลำบากเหมือนอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นเธอย่อมเข้าสมาบัติอีกกระทําเหมือนก่อนความจริงการเข้าสมาบัติมีอุปการะมากแก่วิปัสนาข้อความข้างต้นนี้แสดงว่าเนยบุคคลผู้บรรลุสมถะฌานก่อนแล้วมาเจริญวิปัสนา สามารถเข้าฌานสมาบัติในขณะที่เกิดความลำบากกายและใจแล้วจึงเจริญวิปัสนาต่อไปการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้สมาธิและปัญญาในวิปัสนาแก่กราขึ้นตามลำดับเมื่อสมาธิและปัญญาแก่กราความลำบากกายและใจย่อมไม่เกิดขึ้นสามารถนั่งกําหนดได้อย่างต่อเนื่องตลอดที่วาราตรี สมัตชฌานจึงเกื้อกูลแก่เนยบุคคลโดยพิเศษอย่างนี้ในปัจจุบันโยคีบุคคลผู้มักเจริญวิปัสสนากร อ, อาจพบกับความลำบากกายและใจบ้างแต่ถ้ากำหนดรู้สภาวะธรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสมาธิและปัญญาแก่กล้าแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถข้ามพ้นความลำบากนั้นไปได้ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ศีลและสมถภ า, าวนาเป็นธรรมเกือกูลแก่นนยบุคคลเป็นพิเศษท่านจึงกล่าวไว้ในคำพีเนติอธกถาข้างต้นว่าสิกขาสามเกือกูลแก่นนยบุคคลแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้โดยมุ่งจะแสดงว่าเขาต้องเจริญสิกขาสามเป็นเวลานานจึงจะบรรลุธรรมได้ เจ้กยสารณ า, านิจัดเป็นเนยบุคคลที่บรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยการเจริญวิปั ส, สนาขณะใกล้เสียชีวิตไม่นับเป็นอุคติตันยูหรือวิปจิตันยูเพราะไม่ปรากฏในพระบาลีหรืออธกถาว่าได้บรลุธรรมดังนั้นเนยบุคคลจึงไม่จำเป็นต้องรักษาศีลให้หมดจดมาเป็นเวลานาน จึงจะบรรลุธรรมได้เรื่องคนฆ่าโจรคัมภีร์อธกคถาธรรมบทมีเรื่องของคนฆ่าโจรผู้มิได้รักษาศีลมาก่อนแล้วบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงในเวลาใกล้เสียชีวิตโดยกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ในสมัยพุทธกาลมีคนฆ่าโจราวแดงชื่อตัมพัาธิกะ อยู่ในกรุงรัชคลีได้รับแต่งตั้งจากพระราชาให้ข้าโจรตลอดห5ปีเมื่อครบกำหนดแล้วก็พ้นจากหน้าที่นี้ในวันที่พ้นจากตำแหน่งเขาต้องการรับประทานอาหารในที่ไม่เคยรับมาก่อนจึงได้กวนข้าวปลายาิคลุกน้ำนมเข้าลูกไล้ของหอมทัดดอกมะลิ นุ่งผ่าใหม่แล้วนั่งรออยู่เพื่อบริโภคข้าวปายาติขณะนั้นพระสารีบุตรได้เดินทางมาปรดโดยยืนรับบินฑบาตหน้าประตูบ้านเขาเห็นแล้วเกิดความปีติยินดีนิมนทพระเทระเข้ามานั่งในบ้านและอังคาดข้าวปลายาตินั้นพระเทระรัชแล้วได้แสดงธรรม แต่ข้ามัวคิดถึงเรื่องที่ฆ่าคนตลอดห้าสิบห้าปีที่ผ่านมาไม่อาจสงบใจรับฟังพระธรรมเทศนาได้พระเทระจึงถามว่าเธอทำบาปตามความต้องการของตนหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเขาเรียนตอบว่าพระราชามอบหมายให้ทำพระเทระย้อนถามว่าเมื่อถูกใช้ให้ทำเช่นนี้ เธอจะมีบาปหรือชั่วขณะนั้นเขาจึงได้คิดว่าตนไม่มีบาปแต่คนสั่งให้ทำจึงมีบาปทำให้สามารถสงบใจรับฟังพระธรรมเทศนาและได้บรรลุสังขารุกเปกขายานซึ่งเป็นญาณสูงสุดของปุถุชนดังข้อความในอัตถกถาธรรมบทว่า เมื่อพระเทวระอนุโมทนาอยู่เขามีจิตตั้งมั่นฟังธรรมได้บรรลุวิปัสนาญาณที่คล้อยตามมรรคานในขั้นตามจากโสดาปติมักในบางแห่งวิปัสนาญาณทั่วไปก็เรียกอนุโลมิกะขันติแต่ในที่นี้หมายถึงสังขารุเปก ข, ขายานที่อยู่ใกล้กับมรรคานตามฐานะ เมื่อได้ฟังธทมแล้วเขาได้ติดตามส่งพระเถระระหว่างเดินทางกลับได้ถูกนางยักษินีที่จองเวรกันปแปลงตัวเป็นแม่วัวขิดเสียชีวิตจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าเขาทำบาปตลอดห้าบ้าปีวันนี้พ้นจากหน้าที่ ได้ถวายอาหารแด่พระสารีบุตรและเสียชีวิตไปเกิดในภพใดพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วตรัสพระคาถาว่าสุภาสิตังสุนิตวานะนักคเรโจราคาตะโกอนุโลมขันติงลัทธนะโมทติติทิวงคโต คนค้าจโจรในนครได้สดับวาจาที่กราวไว้ดีแล้วบรรลุญาณที่คล้อยตามัคคยานไปสู่สวรรค์ย่อมบันเทิงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าที่ผ่านมาเขาได้ทำบาปมาตั้งมากแต่อนุโมทนากถามีเพียงข้อความสั้นๆส่งผลให้บรรลุวิปัสนาขั้นสูงได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พวกเธออย่าได้พิจารณาธรรมของเราว่าน้อยหรือมากเป็นสำคัญแม้วาจาเพียงคําเดียวก็กราวไว้ดีก็มีผลมากได้แล้วตรัสคาถานี้ว่าสหสมะปิเจวาจาอนัตถาปะสันหิตาเอกังอัฏฐปทางสยโยยังสุตวาอุปสัมมติ คนฆ่าโจรตามเรื่องนี้ไม่อาจบรรลุมรคผลได้จึงไม่ใช่ในยบุคคลและยังห่างไกลาจากความเป็นอุคติตัญยูและวิป จ, จิตัญยูแต่แม้เขาจะไม่ได้รักษาศีลมาตลอดห5ปีก็ยังบรรลุสังขารุปเปกขายานในเวลาใกล้เคียงที่เสียชีวิตได้ความบกพร่องของศีลคขลือหัดก่อนจะปฏิบัติธรรม จึงไม่ได้ขัดขวางผลการปฏิบัติแต่อย่างใด